พระธรรมเทศนาแผ่นที่89าลำดับที่7โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่26ตุลาคม2558มีชื่อเรื่องว่าพระอรหันต์ไม้จันแดง วันนี้เป็นวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2558วันนี้ฉันจะหันเสร็จประมาณ9นาฬิกาเลี้ย9โมงครึ่ง ต, ตอนเช้าจะมีการประชุมนะคณะสัตย า, าติโยมพระเนนองค์ไหนที่เกี่ยวข้องพระที่เกี่ยวข้องสัตย า, าติโยมที่เกี่ยวข้องในการประชุมก็คัดสรรกันเข้าไปไประชุมหารือ วันนี้ทางสำนักราชเลขาทางจังหวัดไม่รู้ว่าท่านผู้ใดบ้างจะมาประชมุมก็ไม่ได้แจ้งข่าวมาในรายละเอียดแต่พวกเราก็คิดว่ามีประชมุมแล้วก็เตรียมสถานที่ประชมุมไว้ข้างในแล้วก็แต่ไม่จริงวันนี้พวกเราจะฉันจังหันข้างใน ในศาลาของเราทั้งในวัดแต่พวกพระท่านจัดเป็นสถานที่ประชุมวันนี้ก็เลยออกมาฉันข้างนอกเพราะเราไม่ได้ใช้ศาลาข้างในเพราะข้างในจัดเป็นสถานที่ประชุมเพราะฉะนั้นขอบอกข่าวให้พวกเราทุกๆุท่านรับทราบแล้วก็พร้อมการทางในครัวนะให้สังเกตดูว่าจะมีการ ในการไปชุมคราวนี้ครั้งนี้จะมีผู้คนมามากไหมแต่มามากมก็ต้องเตรียมเตรียมเลี้ยงอาหารเที่ยงให้ทั่วถึงให้เพียงพอแล้วก็วันนี้เป็นวันพิเศษอย่างหนึ่งคือเป็นวันโกนนะวันนี้นะวันโกนวันวันพุ่งนี้เป็นวันพระวันปวารณาออกพรรษา ชนเต็มทนนะวันพุ่งนี่หรอเป็นวันปวารณาออกพรรษาสามเดือนวันนี้เป็นวันปงผมเป็นวันโกนและก็วันพุ่งนี้เป็นวันตักบาทขอแจ้งข่าวด้วยนะกูบา ท, ทั้งหลายแจ้งข่าวผู้ใหญ่บ้านในละแวกที่เราไปบินเท่าบาทตามสายให้พี่น้องประชาชนมาตักบาทรอบบริเวณศาลาอย่างทุกปีทุกครั้งที่ พวกเราปฏิบัติมาแล้วก็พระผู้ที่ จ, จะจะปวรณาก็ให้เตรียมฝึกซ้อมกันไว้อย่าให้ขาดตกบกพร่องขานคำปรวรณาถ้าหากว่าใครบพูดไม่ได้ไม่ได้คำปรวรณาหลวงพ่อไม่ออกอนษานะ พรานั้นผู้ใด อ, อยากจะออกพรรษาต้องท่องให้ได้วันพุ่งนี้ต้องพูดเดียวนะไม่ไม่ใช่พูดเป็นหมู่นะพูดเดียว เ, เพราะนั้นต้องคล่องแคล่วแต่ลุงพ่อกับมั่นใจแล้วละมั่นใจกับผ้าลูกหลา น, นการท่องเพียงแค่นั้นคงไม่มีหนักหนาอะไรเพราะเตือนมาระยะหนาวยาวนานแล้วก็วันพุ่งนี้เป็นวัน ออกพรรษาตอนเช้าก็มีการตักบาตรในหลักของพุทธศาสนาระหว่าตักบาตรเทโวพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากชั้นดาวดึงลงมาที่เมืองสังกัสานคอนพี่น้องประชาชนคอยตอนรับแล้วก็ตักบาตรพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไป ยำพรรษาชั้นดาวดึงไปโปรดพระมารดาสามเดือนไม่ไม่ลงมาเี็บโลกมนุษย์แต่พวกเราก็คงจะแปลกใจเอา้าเมื่อพระพุทธเจ้าขึ้นไปอยู่บนสวรรค์แล้วท่านจะฉันจะหันที่ไหนตั้งสามเดือนเพราะท่านเป็นมนุษย์นะท่านไปบินเทวดาอยู่ทเวศสี่เทเวศ ท่านบอกว่าชมพูทวีปหนึ่งคือทวีปหนึ่งอุดรทวีปมันมีอยู่สี่ทวีปนะแล้วก็มีสองพันเป็นบริวาใรใกล้วันะเหมือนกับโลกคองหลอนเป็นดาวดวงหนึ่งทุกวันนี้นะแล้วก็ทวีปหนึ่งเป็นดาวอีกดวงหนึ่งเป็นดาวใหญ่อีกดวงหนึ่ง แต่เป็นเมืองเป็นมนุษย์อยู่ได้แต่มนุษย์หน้าแปลกแตกต่างกันในการเป็นอยู่มนุษย์สมภูทวีบเนี่ยเมืองมนุษย์ของเราเนี่ยหน้าตาเหมือนลิงหน้าตาวอกหน้าตาวอกเหมือนหน้าตาเหมือนลิงอีกทวีบหนึ่งหน้าตาเหมือนกับพระจันทร์พระจันทร์แค่ๆว่นหน้าเรียบหน้ากลมเหมือนพระจันทร์ แต่เทวีปหนึ่งใบหน้าของเขาเหมือนใบโพใบโพพวกเรากคงจะไปเห็นใบลำแหลมคางแหลมแหลมแต่เทวีปหนึ่งหน้าตาเหมือนผานไถ่แต่พวกเรารุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เห็นแต่รถไถนะคงจะยังไม่เคยเห็นเห็นพิษเห็นพวกรุ่นเก่าๆกว่านี้ไปคงเห็นพิษผานไถย ตาบางแห่งเขาว่าหลยเนียงเนียงไถให้เขาก็เรียกนะนั่นแหละคนศรีทวีนะ่ะหน้าตาไม่เหมือนกันหน้าตาเหมือนผานไถหน้าตาเหมือนใบโพหน้าตาเหมือนพัดจันหน้าตาเหมือนลิงเหมือนบอกเหมือนปชุมภูทวีปลนะ่าในหลวพระพุทธเจ้าท่านเสด็จขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงท่านลงไปวินทบาต ทวีปเหล่านั้นสามทวีปท่านฉันจังหันเสร็จแล้วท่านก็กลับขึ้นไปแสดงธรรมต่ออันนั้นคือท่านโปรดพระมารดาของพระองค์ท่านอันนี้คือในพระไตรปิฎกท่านท่านบอกท่านตรัสไว้อย่างนั้นทําไมพระพุทธเจ้าจึงขึ้นไปโปรดพระมารดาพระพระมารดาของพระพุทธเจ้าเมื่อประสูตริพระพุทธเจ้าได้เจ็ดวัน พระมารดาก็สวรรคตขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตนะแต่นี้พอพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็น เ, เด็กกอนางโคตมีคือพระแม่เลี้ยงคือน้องสาวของเออพชรยโสธราไอ้อนั่นน่ะสริมหามายานเ่เป็นผู้เป็น เป็นผู้ดูแลแทนนางศสด็มหามายาน้องสาวนะแต่ได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าจุดโทธนาะจากนั้นก็เตี้ยงพระองค์จน เ, เป็นใหญ่ขึ้นมาพระองค์ออกบวชอย่างที่นั้นนะ อ, ออกบวชแล้วก็ได้ตัดจารุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในเมื่อได้ตัดรู้แล้วก็ประกาศธรรมสั่งสอนเวเ น, นยสัตย์พอสมควรแล้วนะ พระองค์ก็คิดถึงพระมารดานในปีนั้นเป็นปีที่แปลกนะเป็นปีที่แปลกก็คือพระเถระท่านหนึ่งเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชที่ชื่อว่าพระปินโทธรวัชระนะพระปินโททรวัชระจำพรรษาที่เขากิจกูดอยู่จำพรรษาจากนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งอยู่ในแถบนั่นแหละเขาประกาศขึ้นมาว่า เพราะพระโพธิสัตวโลกนี้คงจะไม่มีพระหันผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้มีอิทธิฤทธิ์หอเหินเดินฟ้าได้ไม่มีถ้าไม่มีข้าพเจ้าจะเน้นไม่นับถือศาสนาใดทั้งหมดในจักรวาลเพราะไม่มีไม่มีผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์หอเหินเดินฟ้าได้แต่นี้ตาแกก็เลยเอาเถอะ ประกาศเพียงแค่นี้ยังไม่พอแต่แกได้เศรษฐีนะั้นไปได้ไม้จันที่มันไหลมาจากแม่น้าไม้จันแดงเป็นไม้ที่มีคุณค่ามีราคาอย่างมากในยุคสมัยนั้นเราก็คงจะเป็นไม้พิเศษเ ป, เป็นปุ่มเป็นปุ่มไม้จันแดงมาเขาก็เลยมาคว้านทำให้เป็นบาดพอเป็นบาดเสร็จแล้วก็กเอาไม้ไผ่ไม้ไผ่ ลำใหญ่ๆเนะี่ยเอามาต่อกันขึ้นไปหลายลำแล้วแต่ต่อขึ้นไปเอเลาะให้มันลื่นผิวของมันนะแล้วก็ใส่น้ํามันมะพร้าวอีกต่างหากให้มันลื่น อ, อจากนั้นก็เอาบาดคอบไปอยู่บนบนบนยอดไม้ไผ่หกสิบเมตรให้หกสิบศอกนะสมัยนั้นเขายังไม่มีเม็ดเขาว่าศอกนะศอกกล้ๆก็บศอกมือของเราน่ะศอกแขนของเราเนี่ยนะ สูง6กสซอกแต่ยตนี้ก็ขึ้นไปตั้งไว้ข้างบนและประกาศอะอ้าวถ้าว่าใครเป็นพระหันห่อเหินเดินฟ้าได้ให้ให้มาเอ า, เอาถ้ า, าถ้ามาเอาได้ข้าพเจ้าจะเคารพนับถือเรื่อมใสอจุดจิตจุดใจแต่ถ้าว่าไม่มีใครมาเอ า, เอาภายในเจ็ดวันเนี่ยข้าพเจ้าจะไม่นับถือศาสนาะไม่นับถือเรื่องอะไรทั้งหมด ในจักรวาลนี่เศรษฐีเขาประกาศนะทีนี้ก็ครูทั้งหกครูทั้งหกจะขึ้นไปทำท่าจะแสดงฤทธิ์คาท่าจะเหาะขึ้นไปเอาทางลูกน้องกับดึงขาเอาไว้ยะยะอาจารยา์เพียงบาทเท่านั้นอยวไปหาแสดงฤทธิ์แสดงเดชไม่ใจไ ม, ไม่ได้ม่ได้เลือกข้าจะแสดงแสดงเรื่องใหญ่กว่านี้ แต่ทั้งที่ตัวเองแสดงไม่ได้นะยังไงคนในยุคเก่าก็ไม่ใช่ธรรมดาในะลูกพ่อว่านะไอ้ชั้นเชิงเล่เหลี่ยมโกหกไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะพออาจารย์จะทําท่าจะกระโดดขึ้นไปวะนะไอ้ลูกน้องก็ดึงขาไวะยายายายาาจาย์จักเนย่าไปทำเถอะของเล็กน้อยเพียงแคน่นี้เสียเสียศักดิ์ศรีมันไม่เหมาะสมถ้าเอาต้องเอาใหญ่กว่า น, นี้ถ้าจะแสดงฤทธิ์น ะ, ะทั้งที่ตัวเองแสดงไม่ได้ฮ ต่นนี้พระปินโทธรวัชชะเนั่นเอเขาจะปร ะ, ประกาศอย่างนี้เนี่ยมันคงจะไม่มีการนับถือศาสนาาสนาต่อไปเป็นมิจฉาทิ่ฐิเราควรจะไปไปเอาบาดใบนี้ท่านก็เลยพอว่าท่านนั้นก็เลยเอานิ้วเท้าคนนั้นเีคีบก้อนหินก้อนหนึ่งบ้าใหญ่แล้วนะเหาะไปเลยท่า น, นเอคนทั้งหลายเห็น เห็นพระปินโททรวัชชะแสดงฤทธิ์โอ้เห็นโอ้พระคุณท่านเลยนี่เพีื่อที่จะให้มันหลุดลงมาเนี่ก้อนหินนะเอางั้นเออีคนทั้งหลายบางทูบางคนก็เอาเอกะละมังกะละมังครอบหัวไว้ว่างั้นแต่กลัวก้อนหินหลุดลงมาคนโบราณเขาก็คิดแปลกเหมือนกันนะเพราะคนกลัวใช่ไหมรู้จะหลบไปที่ไหนก้อนหินมันใหญ่ผัวนี่สุดพระปินโททรวัชชะเนี่ยขอท่านก็เอาก้อนหิน รอบสามครั้งให้คนได้เห็นพอเสร็จแล้วท่านก็เวียงก้อนหินตบลงไปหาที่เก่ามันก็อยู่ในสภาพเดิมอยู่ในท่านเอามาจากไหนมันก็ตกตบลงไปที่เก่ า, เ, าเสร็จนั้นท่านก็เลยลงไปท่านก็เลยไปหยิบอาบาดบาดไปนั้นท่านก็ไปอพอไปเสร็จแล้วตอนนี้คนทั้งหลายก็ทราบระหว่านพระปินโทธ ร, รวัชชะลูกสิทธิ์ของพระพุทธเจ้า เป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์เท่านั้นแหละคนทั้งหลายโอ้พอหลงแล้นะแห่เหมือนกับเอออะไรเหมือนกับยิ่งกว่าดาราอีกจังวันเถอะเอยล้อมซ้ายล้อมขวาล้อมหน้าล้อมหลังเฮโล่กันโอ้เนี่ยพระเถระที่เป็นฮีโร่เอเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์มากเออเเาะให้พวกเราได้เห็นแล้วก็เอาตีนคีบก้อนหินอีกต่างหาก มาลับเอาไม้บาดไม้จันไม้จันแดงจากที่ลสีไอ้ที่เศรษฐีเอาไว้นี่แหละแต่เนี้ขนกับเฮโลกันอุดตุดเลยตเนยได้ยินไปไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถามว่าเสียงนั้นเป็นเสียงอะไรพระสงฆ์ก็เลยกราบทูลว่าวันนี้พระปินโทรธรัพย์ ช, ชา้าได้เอาบาดของเศรษฐี บาดไม้จันแดงของเศรษฐีอยู่บนยอดไม้ไผ่หกสิบซอกกันไว้ไม้ไผ่หกสิบซอกตัวนั้นกันะคนจะปีนขึ้กี่ปีนไม่ได้แต่พราะมันเขาทาน้ํามันมะพร้าวอย่างไอ้มันลื่นเหมือนกันนะไอเขาเลาะข้ออย่างดีเนมันมะพร้าวทาอีกเหมือนกันนะใครจะปีนขึ้นได้ใช่ไหมมันลื่นนะจะเก่งขนาดไหนก็เก่งเนีอยพอปีนโถอัลวัจชะทันเหาะได้ก็เลยออกไปแต่ที่คนทั้งหลายกัเฮโลกัน พไดุ้นระพุทธองค์ก็เรียกพระปินโทเข้ามาพระปินโทเข้ามาท่านปินโทรธวัชชะเธอได้แสดงฤทธิ์ได้ไปเอาไม้ได้ไปเอาบาดใบนั้นใช่ไหมบาดไม้จันแดงใช่ไหมใช่พระเจ้าขา่านะเธอทันทําอย่างนั้นไม่ได้นะเธอแสดงฤทธิ์ไม่ได้อวดอุตริมนุษย ธ, ธรรมถ้าว่าต่อไปภายภาคหน้า พระสงฆ์ทางหลายองค์ที่ไม่มีฤทธิ์นะเขาจะอยู่กินยังไงเขาจะบิดนวาวัดได้ยังไงเขาก็จะให้แต่ท่านผู้มีฤทธิ์เขาจะนับถือเลื่อมใสแต่ผู้มีฤทธิ์เท่านั้นองค์ที่ไม่มีฤทธิ์เนะี่ยจะอยู่ยังไงจะชันยังไงจะเป็นอยู่อย่างไรอาติเลกเขาก็จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะนั้นทำให้ศาสนาของเราตถาคตเสื่อมถอยไม่เป็นผลดีเพราะพทธเจ้ามองอีกมุมหนึ่ง đấy. แต่พวกเรานีมออ่มองอีกมองอีกมุมหนึ่งคนมีกิเลสมองอีกมุมหนึ่งแต่พระพุทธเจ้ามองอีกมุมหนึ่งผู้ที่จะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาจะได้เป็นพระอริยะบุคคลมีอยู่แต่ยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่คนไม่ทําบุญทําทานให้กับพระเหล่านั้นพระเหล่านี้พระเหล่านี้อยู่กินยังไงทําให้ศาสนาของเราเสื่อมหมดไปด้วยพระแสดงอิทธิฤทธ นั้นเธออย่าทำอีกนะถ้าองค์ไ็จะทำก็ตามนอะพระพุทธเจ้าบัญญัติวี่ไหนนะภิกษุใดก็ตามแสดงฤ ท, ทธิฤทธิ์ต่อชุมชนโดยประการใดก็ตามปรับอบัตทุกกฎปรับโทษท่ยตั้งต่อ น, นี้ต่อไปอย่าทำแล้วก็บาดไม้จันนั่นนะ่ะเอามาทบุบซะเอามาใช้ไม่ได้มาทุก แล้วก็มาป่นให้ละเอียดแล้วก็ทําเป็นยาหยอดตานะมันเป็นยาเลยไม้จันแดงเป็นยาอีกเป็นยาหยอดตาอย่างดีแตท่านก็มาบดช่วยกันบดเสร็จแล้วก็มาเป็นยาฮอแจกพระสงฆ์ฮะนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นเรื่องขึ้นมาเลยไอ้พวกเดรัจฉีที่ว่าจะเหาะพวกศาสนาอื่นที่ว่าจะเหาะได้เห็นไหมเราบอกแล้วเราพูดแล้ว เ อ, อว่าการแสดงฤทธิ์เน่ยมันเสียหายเห็นไหมส ม, มณโคลมเป็นบรมวัครูของลูกศิษย์เขาน่ะลูกศิษย์ทําขึ้นไปนเนี่ยสมณโคลมบัญญัติวินัยปรับอาบัติปรับโทษแก่ผู้กระทาเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้ว เ, เราจึงไม่ทํำเอพราะฉะนั้นเราจะไม่ทําเพราะทําแล้วทาให้ศาสนาของตัวเองเสื่อมเออพราะนั้นเราจึงไม่เราจึงไม่เหาะ อไม่แสดงฤทธิ์แต่ที่แท้ตัวเองแสดงฤทธิ์ไม่ได้นะแต่มันคนขี้อวดเป็นอย่างนั้นแหละผลในสุดพระพุทธองค์ก็คําอย่างนี้คําต่อคํามันก็เสียหายได้จากนั้นพระองค์บอกว่าจากนี้ไปอีกเอเท่าไหร่เปนหนึ่งเดือน嘛จากนี้ไปอีกหนึ่งเดือนเราตถาคตจะแสดงอิทธิฤทธิ์แต่ห้ามภาษาบก่อ แต่พวกเีลทีก็ว่าเอ้ า, าทำไมสมณะโครมห้ามลูกน้องตัวเองจะแสดงฤทธิ์ปากว่าตาขยิบ ป, ปากว่าว อ, อย่างนึงตัวเองทําอย่างหนึ่งมันจะถูกได้อย่างไงโทษนี้ประกาศโฆษณาอีกพระทธองค์บอกว่าเราจะแสดงอิทธิฤทธิจากนี้ไปาจากนั้นพระองค์ก็ไปฉันที่แห่งหนึ่งไปฉัน เม็ดมะม่วงได้เม็ดมะม่วงเอพอเอาเม็ดมะม่วงม า, งาแล้วก็บอกให้นายอุทยานเนี่ยเอาเม็ดมะม่วงนี่ไปไปเพาะนะไปปลูกนะพอพระ อ, องค์ฉันเม็ดพอฉันมะม่วงเสร็จแล้วก็ให้ในายอุทยานเอามะม่วงไปปลูกพอไปปลูกยด จ, ดจดตรงในดินนะตัวอิทธิฤทธิ์เนี่ต้นมะม่วง่ใหญ่โพล่ขึ้นมาเลยเอใหญ่ขึ้นมาจนต้นบ้กใหญ่เลยทีนี้เนี่ยพระองค์บอกว่า เราตถาคตจะไปแสดงฤทธิ์เนี่ยอยู่แถวต้นมะม่วงอยุดล่มมะม่วงาจากนั้นพระสาวกทางหลายก็ไปกันบัพระโมกพระสารีบูรพโมกครากัาสปาอานนทั้งฝ่ายมหาอุบาสิกาทั้งฝ่ายภิกษุณีก็ไม่ใช่ย่อยท่านอุบลละวันนาเป็นผู้มีฤทธิ์มากพ อ, อกไปถึงประชุมกันพระสงฆ์ทางหลายก็บอกว่าพระพุทธเจ้าข้าพระองค์จูดูตามลำพัง ไม่ต้องแสดงอิทธิฤทธิ์พวกข้าพราะองค์เองจะเป็นผู้แสดงนะทั้งภาษาลิบุตรทั้งรพระโมกขลาพระโมกขลาเนี่ยข้าพราะองค์เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายที่ได้รับเอตตะอะข้าพราะองค์เองจะแสดงอิทธิฤทธิ์พระพุทธองค์ว่าจะเธอจะแสดงอย่างไรพระโมกขลาก็จะแสดงให้ฟังอะปรพะทิศพระจรันพระอะไรแสดงแบบยิ่งกว่าสีแสงสีเสียงคนนั้นน่ะอระ นางอุ บ, บลลวันนาก็จะแสดงอีกพระองค์ไม่ใช่วิสัยของพวกเธอไม่ใช่พวกวิเธอที่จะแสดงเป็นหน้าที่ของเราพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งองค์หนึ่งจะมีการแสดงพระธรรมจะแสดงอิทธิฤทธิ์ครั้งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะนั้นเราถึงครอบถึงครบรอบของเราแล้วเราจะแสดงอิทธิฤทธิ์ให้กับพวกท่านพวกโลกทั้งหลายได้รู้ได้รู้ได้เห็น แต่พวกเดลถีเขาว่าทำไมพระพุทธเจ้าห้ามคนอื่นตัวเองปฏิบัติตัวเองทำศ า, าสานาศาสนานีศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาของเราเราเป็นผู้ตัดจรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาตเป็นผู้บัญญัตเิเป็นผู้แนะนำอะไรทุกอย่างคือออกไปจากเราตถาคตเหมือนกับเราเนี่ยเป็นเจ้าของสวนมะม่วง ถ้าหาว่าผู้ใดจะมากินมะม่วงในสวนของเราต้องขออนุญาตเราซะก่อนเพราะเราเป็นเจ้าของสวนมะม่วงแต่เมื่อเราจะกินมะม่วงเราไม่ต้องขออนุญาตจากใครเพราะอะไรเพราะสวนมะม่วงเป็นของเรานะเพราะพระองค์ท่านมีเหตุผลของท่านนะฟังๆนะนะพวกเราอะไรต้องมีเหตุมีผลทั้งนั้นแหละมาสวนมะม่วงเป็นของเราเราจะขออนุญาตจากใคร เพราะเป็นของเราเราก็จะกินลูกไหนจะทำางไงกินได้เฉวยได้ทานได้แต่คนอื่นจะมาเอาผลมะม่วงในสวนของเราต้องได้รับอนุญาตก่อนเพราะมะม่วงมีเจ้าของสวนมะม่วงมีเจ้าของพุทธศาสนาคือเราเป็นเจ้าของศาสนาพุทธเพราะนั้นก่อนที่ใครจะทำอะไรต้องได้รับอนุญาตก่อนนันะพระองค์จึงบัญญัติวินัย อันนี้จากนั้นพอพระองค์ก็แสดงอิทธิฤทธิ์แต่ไนแสดงอิทธิฤทธิ์จนคนทั้งหลายมาดูมีมากมายหลายหลา ย, ลายอย่างพระพุทธเจ้าแสดงอิทธิฤทธิ์ท่อน้ำเเพ่งท่อน้ํา ท, ท่อไฟเพ่งแสงสว่างอะไรมนุษย์ทั้งหลายในยุคในคราวนั้นคนที่เห็นโอ้โหขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตด้วยเถิน คนที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามีมากทีเดียวในวันนั้นเพราะว่าเห็นอิทธิฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าเป็นเห็นสัปดาหุภาพของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าที่ท่านแสดงอิทธิฤทธิ์ให้กับมนุษย์ได้ดูได้ชมได้เห็นคนที่มีกิเลสอยู่กันจะไงก็เกิดพบใดชาติใดจะเป็นกี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนชาติก็เถอะขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคต คนในยุคนั้นในปราตนะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่น้อยเลยในในวันนั้นแต่ใ น, นเมื่อพระองค์แสดงอิทธิฤทธิเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็เหมือนกับมีบันไดมีพรมมีเทวดาพระองค์ให้มองให้เห็นหมดเลยมีเทวดาทั้งสองฝากฝังแล้วก็มีพรมเดินตามเลียงข้างที่ข้างบันไดพระองค์ก็เดินขึ้นไปจําพรรษาอยู่ที่ สวรรค์ชั้นดาววัดึงจากนั้นพระองค์ก็จำลองเป็นเหมือนกับพระพุทธโลกเนี่ยนิรมิตเหมือนกับพ ร, ระพุทธโลกนี่นั่งพอนั่งเสร็จแล้วโยมานดาของพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากชั้นดุสิตนะโยมานดาของพระพุทธเจ้าอยู่ชั้นเหนือกว่าชั้นดาวดึงเน่ยชั้นต่ำกว่านะโยมานดาของพระพุทธเจ้าอยู่ชั้นดุสิตเป็นเทวบทนะจากชั้นดุสิตลงมาลงมาก็มานั่งฟัง นั่งฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็จำลองพระองค์เนรมิตรพระองค์เป็นพระพุทธปฏิมาพระพุทธรูปเน่เทศเทศเทศเทศนาว่าการเทวดาทั้งหลายปนมือนั่งฟังพระบิดาพระมารดาของพระพุทธเจ้าที่ท่านนั่งนั่งฟังอยู่ด้วยน่แหละพระองค์แสดงอยู่สามเดือนไม่ขยับกระยื่นเลยเพราะว่าเทวดาเนี่ยอายุของเทวดาเนี่ย ร้อยปีในเมืองมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งชร้นชั้นต่ำาลชั้นดาวดึงแล้วก็สวรร์ชั้นดาวดึ ง, ดงร้อยปีในในดาวดึงชั้นกับชั้นยามาดุสดาวดึงนี่แหละมันเรียงเรียกันไปแสดงว่าเขานั่งสามเดือนเพียงแป๊บเดียวตนเอง เ, ออเวลามันน้อยเดียวแต่นี้พระองค์ ขณะที่แสดงธรรมแสดงเรื่องอภิธรรมนะอภิธรรมทั้งหมดเนะ่กุศลธรรมะอกุศลธรรมะมอัปยากตา น, นี่คือพระพุทธองค์แสดงธรรมให้แสดงให้กับเท ว, วดาเท ว, วดาโปรดพระมารดาชั้นดาวดึงเท ว, วดาสวดอภิธรรมทั้งหมดโปรดพระมารดาจิตคิดอย่างงั้นเพราะท่านไม่มีไม่มีร่างกาย เ, ยเียเทวดาไม่มีร่างกายมีแต่กายทิพย์นะ พีแต่กายมีแต่เรื่องแนวความคิดพระพุองค์เรื่องพูดตรัสเรื่องวิญญาณแนวความคิดจิต ท, ที่คิดดีเป็นกุศลจิตจิตที่คิดไม่ดีเป็นอกุศลจิต ท, ที่เป็นกลางๆงเป็น อ, อัพยากตาจิตอัพยากตาธรรมนี่พระองค์พูดแต่เรื่องจิตเรื่องอภิธรรมนะพระองค์แสดงอยู่สามเรือนในขณะที่เวลาบินทบาทท่านก็ไปบินทบาทอย่างที่ว่านั่นท่านก็เลือกไปบินทบาททวีปไหน เนี่อยนั้นานาซาทุกวันนี้เขายังหาไม่เจออยู่สี่ทวีปเป็นอยู่ที่ไหนวะเออแต่พระพุทธเจ้าถรรมมีสี่ทวีปนะั้ลูกหลานนะเออมีทวีปน้อยสองพันเป็นบริวานนะคงจะเป็นดวงดาวเต็มไปหมดในท้องฟ้านะี่บริวานของทวีปสี่ทวีปนั้นนะสมภูทวีปหนะ่เป็นทวีปหนึ่งเป็นดาวดวงหนึ่งเออจากนั้นก็มีดาวอีกหลายหลดวงที่เรามองขึ้นไปในท้องฟ้านะั่นะ พระพองค์ไปบินธบาตในแต่ล ะ, ะวีปมาฉันฉันเสร็จแล้วก็เข้าไปอยู่ในพระพุทธรูปแต่เทวดาไม่รู้นะเทวดาไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าจำลองจำลองพระองค์แต่พระองค์ก็มีธาตุส่ใช่ไหมธาตุสี่ที่น้ํำลงไปหิวเหมือนกันอนะ่ะพอได้เวลาพระองค์ก็ไปบินธบัตพอมาฉันเสร็จแล้วทํากิจ ธ, ธุระเสร็จเรียบร้อยก็เข้ามานั่งเข้ามาในพระพุทธรูปพูดต่อเทศตอนพูดไม่รู้จักจบอ่ะ ก่อนที่พระองค์จะออกไปนะพระองค์ก็คงจะบันทึกแบบเทป่ะเอะให้พระพุทธรูปจําลองนะพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเหมือนกับหลวงพ่อไม่อยู่พวกเราเปิดเทปฟังอย่างลักษณะอย่างนั้นแหละเอเอเทปก็พูดไปเรื่อยๆพวกเราก็ฟังนะเหมือนกับหลวงพ่ออินพูดลักษณะอย่างนั้นเออจะได้พอเสร็จสมเดือนพระองค์เสด็จโปรดพระมารดาอยู่สวรรด์สวรรค์ชั้นดาวดึงจากนั้นพระองค์ก็จะได้เสด็จลงมา วันออกพรรษาอยาวันพวกนี้แหละวันปวารณาออกพรรษาเนี่ยพระองค์เสด็จลงมาจากชั้นสวรรค์ก่อนที่พระองค์จ ะ, สะเสด็จขึ้นไปพระองค์บอกว่าเราขึ้นไปจําพรรษาอยู่บนสวรรค์แต่วันปวารณาเราเราจะลงมาเมืองสังกัสานครเท่านั้นแหละพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมไปตั้งเต็น ไปตั้งประหําคอยรับยุทที่เมืองสังกัสรานครเต็มไปหมดเลยท่านเองถ้าคอยดูพระพุธทธเจ้าจเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดะหนึงจากนั้นพระองค์ลงเสด็จลงมาะเห็เนกับเทวดาพวกพรหมทั้งหลายตามลงมาเป็นพวนเลยท เ, เ, เอนลงมาถึงเมืองสังกสานนครกับบินทบาทกับเมืองมนุษย์เนี่ยนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายวันพุธนี้ก็เลยถือว่า เป็นวันตักปาฏเทโบเป็นวันลําลึกถึงพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าไปจําพรรษาโปรดพระมารดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงจะเด็จลงมาวันพรุ่งนี้อดีต พ, พวกเราก็มหาไตรบาทวัดต่างๆเขาจึงทําเป็นเรื่องเป็นราวอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นคิดว่าวันพรุ่งนี้ก็คงจะมีอีกเหมือนกันนะอทางสื่อต่างๆเขาคงจะมีอยู่แต่พวกเราได้ทําแบบง่ายๆ สั่งตักบาตรครูบาอาจารย์พระสงฆ์เนี่ยแหละเพื่อลำเลิกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ลำเลิกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้ปีอุปการะคุณทั้งหลายอันนี้ก็คือวันพรุ่งนี้เนอพี่น้องจัทาญาติโยมหลวงพ่อได้เล่าเลาให้ฟังนานๆหลวงพ่อจะได้เล่าความเป็นมาของจำพรรษา บนสวรรค์ชั้นดาวดึงปโปรดพระมนดาสวดอภิสวด พ, พระอภิธรรมในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอ่ะพระสูตรคือเรื่องราวพระวินัยคือกฎระเบียบพระอภิธรรมก็คือแนวความคิดที่จะทำรักจิตใจยังไงให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสตดี๋ยวพระอภิธรรมเดี๋ยวสูงสุดพระสูตรคือความเป็นมาของพุทธะ พระพุทธเจ้าเป็นมาอย่างไรภาษาวกเป็นมาอย่างไงต้องมีประวัติเนพระสูตรพระวินัยคือเมื่อมีพระสูตรเราก็ต้องมีกฎกติกาการอยู่ด้วยกันมีกฎกติกายังไงอันนี้เหลื่องพระวินัยทําวินัยพระวินัยจากนั้นแนวความคิดอันลึกซึ้งแนวความคิดที่จุดหมายปลายทางของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นคืออะไรก็คือพระอภิธรรม แนวความคิดสอนจิตสอนใจของพวกเราให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลส น, นะนี่แหละอันนี้คือหลักธรรมคําสอนของพุทธะนะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนโมทนาให้พรนตเนเน่รับพร